สีเมื่อจิตหมดความอยากจิตพ้นความปรุงแต่งก็จะเข้าถึงความสงบสันติเรียกว่านิพพานวงเล็บเปิดหเมษายน2552ัในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดสังคมมันเปลี่ยนเร็วคนก็เครียดคนไหนปรับตัวยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็เครียดมากแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเรารู้ว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยน มันไม่คงที่อยู่เหมือนเดิมตลอดไปถ้าใจเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้อะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่หรอกมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆโลกเปลี่ยนนะแต่ธรรมะไม่เปลี่ยนกี่ปีกี่ชาติคนก็มีความทุกข์ทุกข์ก็คือกายกับใจมีความอยากขึ้นมาก็มีความทุกข์พอมีความอยากขึ้นมามันก็มีกายมีใจขึ้นมามีกายมีใจขึ้นมามันก็มีความทุกข์เพราะทุกข์แล้วก็อยากอีกอยากให้หายทุกข์ดิ้นรนแสวงหาความสุขไปอีก เป็นวงจรที่ไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าเข้าใจวงจรอันนี้ได้เข้าใจอะไรเข้าใจตัวทุกข์ให้ดีถ้าคนใดเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ไม่ยึดถือในกายในใจความอยากที่จะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็จะไม่มีเมื่อความอยากไม่มีความดิ้นรนของจิตใจก็ไม่มีจิตใจไม่สืบพบสืบชาติต่อไปแล้วเราก็เข้าถึงความสงบสันตินิพพานมีสันติลักษณะ มีลักษณะสงบสงบจากอะไรสงบจากขันสงบจากกิเลสสงบจากบาปอากุศลทั้งหลายสงบจากความปรุงแต่งทั้งหลายนิพพานไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรว่างๆนั่นแปลแบบมักง่ายต้องบอกก่อนว่าว่ า, วางจากอะไรไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยถ้าใครเห็นนิพพานว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฐินะว่ามันสูญหมดเลยเป็นอุเฉททิฐินิพพานว่างนะ З, แต่ว่างจากความเป็นตัวเป็นตนว่างจากกิเลสว่างจากขันว่างจากทุกข์ว่างจากความปรุงแต่งความทุกข์ทางใจของเราสังเกตไหมเกิดจากความปรุงแต่งคิดขึ้นมาทั้งนั้นคิดขึ้นเองคิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์ไปความทุกข์ทางใจนั้นเกิดจากกิเลสมันเข้ามาย้อมใจได้กิเลสมาจากไหนล่ะจิตที่ไม่ฉลาดนั่นแหละปรุงกิเลสขึ้นมาเองแล้วกิเลสกลับเข้ามาปรุงแต่งจิตก็มีความลาบาก จิตมันไปยึดถือธาตุยึดถือขันจิตไปยึดอะไรจิตก็หนักไม่ว่าจะยึดอะไรเล็กๆน้อยๆจะหนักขึ้นมาจิตที่ไม่ยึดอะไรนะมันว่างว่างจากสิ่งต่างๆว่างจากธาตุจากขันอะไรพวกนี้มันไม่หนักจิตพวกเราหนักทั้งหนักทั้งแน่นนะลำบากตอนที่เรายังภาวนากันอยู่อยู่ระหว่างเดินทางไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเรานึกภาพไม่ออกหรอกว่าจิตที่มันพ้นความปรุงแต่งจิตที่มันพ้นจากขัน พ้นจากความยึดถือพ้นจากทุกข์มันเป็นอย่างไรสิ่งที่เราคิดได้คือถ้าไม่มีอยู่ก็ต้องสูนไปสิ่งที่เราคิดได้เป็นความสุดโต่งอยู่แค่นี้เองเราไม่รู้จักธรรมะที่แท้จริงที่พ้นจากความปรุงแต่งมีอยู่แต่ไม่มีอะไรไม่มีทุกข์ไม่มีกิเลสไม่มีขันธรรมะอย่างนี้มีอยู่แต่เรายังไม่เคยพบไม่เคยเห็นต้องภาวนามีสติรู้กายมีสติรู้ใจไป ถ้าขาดสติก็ไม่มีวันหรอกที่จะเข้าใจคนใดรู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งจะเห็นนิพพานอย่าเที่ยวไปสแสวงหานิพพานตรงๆเพราะเราไม่รู้จักนิพพานเที่ยวไปหาแล้วจะไปหาเอาของอื่นแล้วคิดว่าคือนิพพานเช่นบางคนคิดว่านิพพานคือความว่างฉะนั้นสแสวงหานิพพานตรงๆก็คือการน้อมจิตไปอยู่ในความว่างการน้อมจิตให้ไปอยู่ในความว่างเป็นการทาอรูปฌานชื่ออากาสาณจา ย, ยตนะ เพ่งอากาศเพ่งความว่างเพ่งช่องว่างบางคนก็เพ่งตัวจิตเรียกวิญญาณัญจายตนะบางคนเพ่งความไม่มีอะไรไอโนโนก็ไม่มีไอนี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างชื่ออากินจัญญายตนะนี่เป็นความหลงผิดเราอย่าไปหานิพพานตรงๆพระพุทธเจ้าบอกวิธีที่จะทําให้เราพบนิพพานไว้แล้วท่านบอกให้รู้รูปรู้นามให้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงวันใดรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ จิตจะถอดถอนตัวเองไม่ยึดถือกายยึดถือใจอาการที่เกิดตอนนั้นอัศจรรย์นนะมันเหมือนจิตสลัดกายสลัดใจคืนให้โลกไปความจริงตอนที่แตกหักคราวสุดท้ายนี่มันสลัดจิตคืนให้โลกไม่ใช่สลัดกายสลัดกายเนี่ยสลัดไปก่อนแล้วในขั้นพระอนาคามีมันสลัดกายคืนให้โลกไปไม่ยึดในกายอีกต่อไปแล้วเมื่อไม่ยึดกายก็ไม่ยึดตาหูจมูกลิ้นกาย เพราะตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นกายตาก็เป็นกายหูก็เป็นกายทําไมไม่ยึดกายเพราะเห็นความจริงแล้วว่ากายไม่เที่ยงกายเป็นทุกข์กายเป็นอนัตตาเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ยึดหมดความยึดรู้สึกไม่เห็นมีสาระอะไรพอไม่ยึดในตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสผดถัพพะเมื่อไม่ยึดในสิ่งที่ตาไปมองเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นไปรู้รส กายไปรู้สัมผัสไม่ยึดทั้งอายตนาภายในภายนอกมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อสิ่งที่มากระทบเห็นของที่สวยใจก็เป็นกลางเพราะไม่ยึดในรูปที่เห็นเห็นของที่ไม่สวยใจก็เป็นกลางไม่ยึดในรูปที่เห็นพ้นจา ก, กรามและปฏิฆะนี่ถ้ารู้กายแจ่มแจ้งมันจะพ้นจั ก, กรามและปฏิฆะเป็นพระอนาคามีการภาวนาขั้นสุดท้ายมันจะบีบวงเข้ามาที่จิตอันเดียวนี่เอง แต่เดิมเรายังสําคัญผิดว่าจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นตัวสุขจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นตัวทุกข์ผู้ภาวนาจะเห็นอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นวันใดสติปัญญาแก่รอบนะจะเห็นตัวจิตผู้รู้นั่นแหละเป็นตัวทุกขมันสลัดคืนให้โลกได้สลัดทิ้งเลยบางท่านสลัดนุ่มนวลคล้ายๆค่อยๆวางไปบางท่านสลัดรุนแรงเหมือนจับได้กระชากคว้างลงเหวไปเลยเป็นความรู้สึกเท่านั้นแหละ จริงๆ จ, จ, จิตมันวางพอวางไปแล้วไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือจิตก็เห็นนิพพานเต็มบริบูรณ์ต่อหน้าต่อตา น, นี่เลยนึกถึงเมื่อไหร่เห็นเมื่อนั้นไม่ต้องเข้าสมาบัติก็เห็นนึกถึงก็เห็นแล้วแค่มนัสิการมันจะเห็นเลยทีนี้บางคนก็เข้าใจผิดอย่างหนึ่งเพราะได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่ามันวางกายก่อนวางจิตก็เลยคิดว่าเบื้องต้นต้องดูกายก่อนครูบาอาจารย์แต่ก่อนบางทีท่านก็สอนเพราะท่านภาวนามาแบบนั้น ท่านทำขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามนี่ท่านดูกายท่านบอกกายเป็นสนามรบถึงขั้นพระอนาคามีจิตเป็นสนามรบในขั้นพระอระหันต์อันนั้นเป็นประสบการณ์ของท่านผู้ปฏิบัติบางคนดูจิตไปเลยก็ผ่านผ่านได้เพราะอะไรเพราะดูจิตก็เห็นกายถ้าดูกายเป็นก็เห็นจิตมันไม่ดูอันเดียวหรอกไม่มีหรอกที่ดูอย่างเดียวคนที่บอกดูอย่างเดียวนั่นดูไม่เป็นยังเพ่งอยู่ถ้าไม่เพ่งมันไม่ดูอย่างเดียวหรอก เดี๋ยวมันก็รู้กายเดี๋ยวมันก็รู้จิต